จะเทศนาเรื่องธาตุให้ฟังธ <c oughs> าตุมันก็เคยอธิบายมาแล้วละ่ะหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเมื่อจะอธิบายาเรื่องธาตุให้ตั้งใจให้เป็นกลางคำว่าใจว่าใจในที่นี้น่ะให้อยู่ที่กลางนั่นแหละ ไม่คิดนึกส่งไปมาหน้าหลังทั้งไหทั้งที่ไหนทั้งหมดตั้งแต่เป็นกลางเลยจึงจะฟังท่าออกฟังท่าถูกถ้าไม่งั้นฟังท่าไม่ถูกครับขันยังคิดเอ็นเอียงไปไปเห็นผู้เห็นคนเห็นศัตราเสียงเห็นวัตถุเขาของเงินทองสละพัดทุกอย่างัะไรเป็นกลาง ความกลางนั่นแหละตั้งไว้จะกลงกลางนั่นแหละฟังเทศเรื่อยๆได้ความเทศเรื่องท่ากับของเก่าเนี่ยนะม่พูดถึงเรื่องของใหม่ก่อนเตนะเอตตะแดนก็พูดถึงเรื่องของเก่าท่าในที่นี้หมดทั้งโลกเป็นท่าทั้งนั้น คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุดินธาตาุลลน้ำธาลมแลตไฟวัตถุทั้งพวกมดเกิดเ ด, เดียวกันทั้งนั้นที่เป็นวัตถุเป็นคนเป็นสัตว์และสิ่งเป็นวัตถุสิ่งของมดล้วนแล้วจะเกิดมาจากธาตุ <c oughs> นามธรรมก็เป็นธาตุ พิษแปลกออกไปจากลูกกระทํา <c> จ <oughs> ิตใจที่คิดนึกสงสัยไปมาสรารพัดทุกอย่างดิบของผัวพันนั้นนี่เป็นท่าทั้งหมดตกลงว่าเรานั้นใช้ท่าหรือว่าท่ า, าใช้เราก็ได้ความโลภความกโกรธความหลงความรักความชัง หนึ่งเดียวกว่าธาตุอันหนึ่งแต่ละอันๆเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนโกรธแล้วก็ทําให้เราโกรธมันทำหน้าบึง้งหน้าเบี้ยวกับตัวของเรานี่ยแหละมาทําให้เราเนี่ยมันโกรธมันโลภไม่จะขอบเขตอยากได้น่นได้นีสตพัพทุกอย่างมันก็มาทําให้เรานี่แหละห น, าานหน้าด้านหน้าบึ้ง หลวงมอเอาโยจากดีจากชั่วจักบาปุญคนโทษกระตัวงเราที่แรกมาทำให้ตัวงเราเนี่ยเป็นีต่ว่าเป็นธาตุชื่อว่าธาตุอย่างนั้นเทศสนาไม่โดยเฉพาะเรียกว่าธาตุสิบแปดบาวิสติอ้จักสสุทาตุคือตาเห็น นั่นเขเร ah ok e. ียกว่าธาตุอันหนึ่งตาเห็นรูปก e. ็เป็นธาตุอันหนึ่งตาผู้ไปเห็นนี่ก็เป็นธาตุอันนึ่งรูปวัตถ์ตาผูไปเห็นยังก็เป็นธาตุอันนึงความรู้สึกก็ภายในก็เป็นธาตุทีนั้นอ e. <c oughs> หูได้ยินเสียงก็เป็นก้อนก็เป็นธาตุอันนึง เสียงที่หูที่ได้ยินมานั่นก็เป็น ท, าทน่านความรู้สึกนั่นก็เป็นท่าแต่หนึ่น <c oughs> จงจมูกถูกกินเล่นถูกลดกายถูกสัมผัสเหมือนกันหมดเป็นสามสามเรียกว่าท่าสิบแปดสามหกก็สิบแปดนะสินั่นเป็น ท, าท่าแต่ละอย่าง <c oughs> นอกจากนั้นอีก อันนานามไว้มากมายหลายอย่างถึงเรื่องว่าคนที่มีโทสะก็เรียกว่าโทสะธาตุโมหะธาตุโทสะธาตุโลภะธาตุโมหะธาตุเป็นธาตุแต่ละอย่างละอย่างพูดถึงเรื่องธาตุละกวงหวงมาก สิ่งล่ะพวกมดเทศ่ตัวของเราใช้อยู่เนี่ที่เอามาใช้ในตัวของเราเนี่ยแหละใช้เราเนี่ยให้เป็นให้เป็นให้มันให้ปั่นป่วนวิ่งวอนใช้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> คือใช้ตัวของเรา <c oughs> ให้เกิดกิเลสให้เกิดความโลภความหลง <c oughs> มาใช้ตัวของเหล่านี้ธ <c oughs> าตุธาตุเนี่ยแปลว่าของทรงอยู่อย่างนั้นคดไหนเกิดขึ้นมาเขามารับเอาไปคนละนิดนิดหน่อยเอาไปไปใช้ แล้วก็ตายไปคนอื่นเกิดขึ้นมาก็มารับเอาไปใช้ใช้แล้วก็ตายไปตายให้ไปไม่ใช่ตายเปล่ามันเอาความยึดความถือนะ่ะไปด้วยอย่างเช่นความรักความชังมารักเกิดขึ้นม า, มารักเอาท่ากนะัน มาเกลียดมาโกรธมาชังกับมาชังเอาท่าจะและ้วทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจไม่ผ่องใสตายกย็เลยเป็นทุกข์ตกนรก <c oughs> อันนี้เรียกว่าท่าคือของปิดอยู่มีอยู่ทำกลับตังห้องเก่านั่นแหละ ใช้มา้าหรเอาของเก่านี่ย ไ, ไปใช้คนไหนคนไหนเกิดขึ้นมาแล้วเอาของเก่าลองคิดดูมันหายไปเป็นไหมความโลภความโกรธความหลงมื่อเมาประมาททุกอย่างหายไปเป็นไหมหายจากโลกเป็นไหม ไม่หายมีอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้เลยมาเอาเลยคือมายึดเอาเลยแต่ของนั้นก็ไม่บกบางไปไหนคนนั้นมายึดเอาคนนี้มายึดเอามันก็ไม่บกบางไปไหนเขามีเท่าเก่านะทิ้งไปในโลกนี้ก็เท่าเก่านะไม่หมดไปไหนของเก่านั่นเรียกว่าของเก่ามันเทศนากับของเก่า มาขี้ของเก่าแล้วเ น, <c oughs> นี่ยมีเรียก ว, ว่าโลกกระทาผู้ใดไม่เห็นโลกกระทาผู้มาเห็นธาตุนี้ตลอดหมดทั่วหมดทุกแห่งทุกหนเป็นเรื่องธาตุทั้งนั้น <c oughs> จิตใจมันก็พองใสเบิกบานในสิ่แตดกันเห็นโดยใจจริงจังเบิกบานยังไง มันไม่ยึดมันเห็นเป็นธาตุมันไม่ยึดจังไงตั้งใจเป็นกลางกลางหมไมันยังกบฟังถูกฟังของมูนีถ้าหากไ้ตั้งใจเป็นกลางไม่ถูกหรอกพูดไปก็เลยมัวเมาเข้าตัวมดถ้าหากพูดเป็นธาตแล้วตั้งใจเป็นกลางเลยพูดถึงเรื่องธาตว ไม่เข้าข้างน้องคงนี้แล้วนา่นและเห็นเห็นเป็นเห็นตัวของมันเห็นตัวธาตุแท้ทีเดียว <c oughs> เช่นความโลกรธเกิดขึ้นมาบุคคล น, นั้นไปรับออกไปยืดเราเป็นเป็นตัวของเราแล้วมีดีทั้งมดพูดออกไปหยาบคายสรารพัด ท, ทุกอย่างพูดสาดสาเสียเสียให้เขาเจ็บอกเจ็บใจ เป็นของดีของเราทั้งนะมัฟเพราะมัอเข้าเราแต่หากคนอื่นไปได้ยินเขาคนอื่นเห็นเขามันไม่ใช่ของดีของเลวซามครั้งที่ไม่น่าพูดเอามาพูดครังที่ไอ้ไม่น่าใส่ร้ายายสีเขาก็เอามาพูดใส่ร้ายายสีเขาทุกสิ่งทุกประการ นั่นแหะคนที่เป็นกลางใจเป็นกลางก็เหมือนกันนั่นแหละพูดถึงเรื่องธาตุแต่เห็นดูได้ชัดเจนขึ้นมาพูดถึงเรื่องธาตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกเลยในตัวของเราทั้งหมดในโลกทั้งหมดว่าเราจะเป็นธาตุเดียวกันทั้งนั้นมันก็ไม่ยืดอติดแล้วทั้งเรืองเห็นหัน้วปล่อยวาง ให้เป็นทาตุใชอย่ะไม่ถือเราเป็นตนเป็นตัวไม่ถือเอาเป็นของเรามันจะอยู่อย่างนั้นสนุกดูสนุกเห็นพิจารณาให้เป็นธาตุอย่างนั้นจึงค่อยภาวานาเป็นใชเพราะภาวนาเป็นให้มันจิตเป็นกลางแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราวถ้าหากว่าจิดวันไว ก่อนงาก่อนแค้นอยู่ก็เอาไว้ก่อนให้พิจารณาเป็นธาตุโดยโดยนรูปเสียก่อนยังไม่จนถึงขัง้นขั้นนั้นก่อนพิจารณาโดยนรูปคนทำฟวงมดเห็นเป็นธาตุาทางนั้นน่ะเห็นไมงานเสีก่อนแต่ไม่เห็นตามเป็นจริงด้วยใจยของตนจริงท่านเห็นชัดตามจริงหัวเลาะห่าเลย คนเราถือเอาแต่แท้ของนี่ถ้าไม่ถือไม่เห็นไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครทั้งหมดมีอยู่ทั่วมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าลงสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นมาและระดับไปธาตุนั้นอย่างมันเกิดขึ้นมาที่ตัวของเราความรู้ความโกรธความหลงเกิดตัวของเรามันหายไป ความละความชังเกิดมาเมื่ก็หายไปทุกคนต้องมีเดียกันดังนั้นตนเวลาเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันก็หายไปเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเดียวว่าธาตุคนเนยไปยึดออกมาเป็นของตนคนนั่งก็เดือดร้อน่นวายคนไม่ยึดก็ปล่อยวางเฉยเป็นของอยู่สภาพตามเดิมของมัน จังหวนสระคืนนะคำว่าสระคืนคืนไม่ให้มาใช่ไให้ของโรกของโลกลของหลวงลและกิเลสทั้งหลายคืนนะมันมดนัก็อยู่เย็ดเป็นสุขปราศจากพัตวานตรายทางงั้งของไม่มีกิเลสร้อนทั้ <c oughs> วันนี้อธิบายแตเรื่องธาตุเท่านี้แหละไม่ต้องอธิบายมากมมันทออบมดทั้งโลกเลย <c oughs> ท่านเทศก็ทําใจใเปน็นกลางๆถึงจะรู้เรื่องที่ท่านเทศถึงเรื่องธรรมที่เรียกเทศในเรื่องธาตุเรียกว่าธรรมธาตุ <c oughs> การภาวนาก็เหมือนกันถ้าตั้งใจเป็น ก, นกลางๆเสร็จแล้ว มันก็หมดเรื่องไม่ต้องเกี่ยวของโฟกันอะไรแล้วความเป็นกลางๆนั่นน่ะมันไม่ลงปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอนาคตเป็นตัวพ่อนายในตัวคือมันเห็นใจของเราใจแต่ว่ากลางใจมือใจเท่าใจไม้อะไรต่างๆคือกลางๆนั้นแม้แต่ใจคนเป็นชี้เข้ามาทํากลางอก นั่นและตัวใจถ้าลงกลางถึงตลางเมื่อใดนั่นแหละตัวใ จ, หหหว ใ, จให้อยู่นั่นเสียก่อนอย่าไปคิดนึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดให้เห็นตัวนั้นได้ก่อน <c oughs> อะไรมันออกจากกลางท้งนั้นนะถ้ามันมีหนึ่งมันก็มามีสองมีสาม ถ้ามีกลางก็มีไม่มีอดีตอนาคตมีไม่มีกลางก็ไม่มีดีมีชั่วอันตัวกลางนะั้นไม่ไม่ดีไม่ชั่วหรอกเฉยๆอยู่หร <c oughs> ืออยากจะรู้จะเห็นตัวกลางเป็นยังไงเราต้องกั้นใจสักพักหึลองดู องการดเดียวเดนี้ก็ได้การจะพักเืยมันมีอะไรในที่นั้นความโลภความโกรธความไม่มีโทสะมารดทิฏฐิไม่มีทั้งหมดความรักความชังก็ไม่มีมันเฉยเฉอยู่ไม่คิดบาปคิดบุญไม่คิดดีคิดชั่วแต่มันเฉยเฉยอยู่ร่างการ้นลมหายใจนั้น เขายัางใช่ทั่วไปถึงการเจ็บการปวดการลใหายใจเลยคะในขณะชั่วการลมหายใจนะมันก็หายไปยเจ็บปวดนันก็ดีลองมาใช้ก็ลองดูในเวลาที่โทษามนะาณและกลมเกียดกลมชัางเกิดขึ้นมาเนะี่ลองมาใช้ก็ลองดูสิการลมหายใจนะมันจะหยุดไปพักหนึ่ง ขณะที่ลมหายใจไม่มี <c oughs> <c oughs> แต่ลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ของเก่านั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละคัดหัดสมาธินั่นให้เข้าถึงจุดนั้นแหละจุดนั้น ม, มีอะไรนะ่นฮัดโยทุกิทุกวันนี้ก็ฮัดเพื่อให้เขาถึงนั่นเมื่อเข้าถึงนั่น แล้วมันจะอยู่ได้นานๆไม่เหมือนเรากลั้นลมหายใจมันค่อยเย็นลงไปเย็นไปสงบลงไปเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็สบายเลยจะสบจะเอาสบายได้อีกนอกจากนั้นทั <c oughs> ้งสิ่งที่ไม่มีอะไรนะั่นเน่ยมันสงบเย็นอยู่รู้ตัวอยู่แล้วนะมันก็แสนสุขสบายได้จริง ไปหความสุขสบายที่นัหนอีกไปคิดถึงบ้านถึงเดือนคิดถึงลูกถึงหลาคิดถึงการถึงงานเอาไว้ต่างหานะขนาดนั้นมันไม้กิงไม่คิดมันก็คิดเองหน่อยเวลาทําสมาธิคนนั้ น, นเข้าถึงตรงนั้นไี้ก่อนมันไปสหความสงบสุขนั้นให้ได้ก่อนแล้วมันจะค่อยออกไปเวลามันออกจากสมาธิเนี่ย วิ่งก่อนตัวเองแต่ว่ามันมีสติอยู่รู้อยู่อ่ะมันไปหาอะไรมันประโยชน์อะไรมันมีความรู้ตัวอยู่ตอนนั้นมันค่อยมีอุบายปัญญาขึ้นดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นวิ่งหัวใจชินหัวสุดหัวสน เราจากคนอนอนไปตีอะไรหรอกว่าจะ ด, ดีเรืยไปฉันเราฮดเข้าถึงความสงบ้าแล้วของไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกอยู่นะอยู่ได้นานนั่นส่วนหญ่กระทำแล้วออกไปขานี่นหละมันจะรู้ตัวเห็นเห็นเห็นความจริงอะไรกันมันจะรู้ตัวมันเนี่ย วิ่งว่อนหัวชุกหัวโสนเน่ ก, กลางวันการคืนนอนหลับแล้วก็ฝันแท้ที่จริงอ่ของนั้นไม่ใช่ของดีเป็นแต่มันใช่เราเฉยๆเนี่ยถ้าหาเราบังคับใจอยู่แล้วมันได้ไปล้วให้ฮัดเข้าถึงตรงกลางเสียก่อนให้มันนิ่งแนวอยู่สงบเต็มที่ มันจะอยู่ได้นานสักเท่าไรก็อยู่ไปถึนําหาความสุขก็ต้องมอนได้ความสุขก็เอาละโอเคนั่นทปเอาละนั่นภานา